สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษยพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในหัวข้อน่าเสียดายครั้งที่สองครับพระเจนะของพระเจ้าปรากฏอยู่ในพระธรรมหนึ่งพงกษัตริย์บทที่13ข้อที่27จ็ดนถึงข้อที่34 1พิบสงพงกษัตริย์บทที่13ข้อที่27จ็ดนถึงข้อที่34โปรดฟังพระเจนะของพระเจ้าครับจากนั้นเขาก็สั่งลูกๆว่าผูกอานลาให้ที พวกลูกๆ ก, ก็ปฏิบัติตามเขามาพบร่างที่ถูกทิ้งอยู่กลางทางลาและสิงโตยังยืนอยู่ข้างๆสิงโตไม่ได้กินร่างนั้นทั้งไม่ได้ฉีกทึงลาทั้งไม่ได้ฉีกถึงลาผู้เผยพระชนะจึงเอาร่างของคนของพระเจ้าพาดบนลาตัวนั้นแล้วนํากลับมายังเมืองของตนเพื่อไว้อาลัยและฝังเขาวางศพไว้ ในอุมโมง์ฝังศพที่เตรียมไว้สําหรับเขาเองและขลําครวว่าอนิจจาน้องชายเอย๋ยหลังจากฝังศพแล้วเขากล่าวกับลูกๆว่าเมื่อพ่อตายจงฝังพ่อไว้ในอุมโมง์ฝังศพเดียวกับที่ฝังคนของพระเจ้าให้กระดูกของพ่ออยู่เคียงข้างกระดูกของเขาเพราะถ้อยคําที่เขาประกาศไว้โดยพระดํารัสขององค์พระวิญญาณเกี่ยวกับแท่นบูชาในเบดเอลและสถานบูชาบนที่สูงทั้งหลายในเมืองต่างๆของสมาเรียจะเป็นจริงอย่างแน่นอน ถึงเพียงนี้แล้วเยโรโบอัมก็ยังไม่ทรงหันเหจากวิถีอันชั่วร้ายของพระองค์กลับตั้งปุโรหิตจากคนทุกประเภทสำหรับสถานบูชาบนที่สูงทั้งหลายใครที่อยากเป็นปุโรหิตก็ทรงแต่งตั้งสำหรับสถานบูชาบนที่สูงเหล่านั้นนี่เป็นบาปของราชวงศ์เยโรโบอัมซึ่งนําราชวงศ์ไปสู่ความเสื่อมถอยและล่มสลายไปจากแผ่นดินโลก พี่น้องครับน่าเสียดายที่คนที่พระเจ้าแต่งตั้งหรือเจิมไว้นั้นหลงออกจากทางของพระเจ้าเพราะว่าปรารถนาที่จะเล่นการเมืองที่จะมีอํานาจที่จะมีความมั่งคั่งที่จะมีทรัพย์สมบัติมีเกียรติมากมายบุคคลผู้นั้นคือกษัตริย์เยโลโวอัมเขากําลังตั้งราชวงศ์ใหม่แล้วพระเจ้าก็อยู่เบื้องหลังเขาในระดับหนึ่งครับ ถามว่าในระดับไหนครับในระดับที่ห้ามเลโฮโบอัมซึ่งเป็นกษัตริย์ฝ่ายใต้เป็นลูกของกษัตริย์สโรมอนห้ามไม่ให้พวกเขาระดมพลมาเพื่อที่จะมากวาดล้ า, ลางหรือมาต่อสู้ทําสงครามกลางเมืองระหว่างสิบเผ่าข้างบนกับสองเผ่าข้างล่างพี่น้องครับเมื่อเรารู้เราวเช่นนี้แล้วเราเองก็น่าจะคาดคิดได้ว่ากษัตริย์ เยโรอัม um, ซึ่งเป็นกษัตริย์ทางเหนือนั้นสมควรอย่างยิ่งที่จะติดตามพระเจ้าให้สุดจิตสุดใจเพื่อที่พระเจ้าจะได้อวยพรราชวงศ์ของเขาเพื่อที่พระเจ้าจะได้อวยพรสิบเผ่าซึ่งเขาแยกออกไปนั้นจะได้อยู่เย็นเป็นสุขจะได้มีความสงบสุขและก็นำประเทศชาติไปสู่ความเจริญแต่หาเป็นอย่างนั้นไม่ครับเพราะว่าเยโรอามนั้นก็ฝักใฝ่อยู่กับการ เล่นการเมืองต่อไปแล้วก็หันไปกราบไหวลูกเคารพแล้วก็สร้างวิถีทางของสิบเผ่าที่อยู่ทางเหนือให้นมัสการพระเจ้าตามแบบที่เขาอยากให้เป็นไม่ใช่ตามแบบที่พระเจ้าทรงพระประสงค์นั่นคือสิ่งที่น่าเสียดายเสียใจจริงๆครับถ้าถามว่าพระเจ้าทราบไหมว่าเยโร่จะเป็นแบบนี้ผมเชื่อว่าพระเจ้าทรงทราบครับ แต่ว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งโอกาสพระเจ้าทรงให้โอกาสประทานโอกาสให้กับเราเสมอหลายคนบอกอย่างนี้ว่าพระเจ้าของเรานั้นเป็น the god of the second chance ก็คือพระเจ้าแห่งโอกาสที่สองครับพระเจ้าแห่งโอกาสที่จะกลับใจใหม่พระเจ้าแห่งโอกาสที่จะให้ออกให้ออกมาเพื่อที่เราทั้งหลายจะได้มีโอกาสกลับใจใหม่ทั้งสิน้นพี่น้องครับแต่ในที่สุดแล้วเป็นที่น่าเสียดายเสียใจครับว่า กษัตริย์เยเลวอัมกันไม่ได้กลับใจใหม่อะไรทั้งสิ้นเลยและเขาก็ได้ถล่มลึกพี่น้องครับวันนี้นี่พระกัมภีร์เริ่มต้นจากการที่เราเห็นว่าเกิดการอัศาจรรย์ครับเพราะว่า ส, สิงโตสิงโตไม่ได้กินร่างของผู้เผยพระพจน์หนุ่มที่ถูกกัดจนตาย <c oughs> ถูกกัดกินจนตายแต่ไม่ได้กินครับนี่เป็น การอัศจรรย์ที่พระเจ้าได้ให้กับชนรุ่นหลังเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้เราพบว่าแท้จริงแล้วสิงโตเนี่ยมันจะกินเหยื่อของมันนะครับเมื่อเหยื่อมันถูกกัดตายสิงโตจะไม่ล่าสัตว์หรือไม่ล่าเหยื่อถ้ามันอิ่มมันจะล่าก็ต่อเมื่อมันหิวครับพี่น้องครับเราจะเห็นว่าสิงโตนั้นก็ล่าชีวิตของผู้เผยพระชนะนี้แล้วก็ทาให้ทุกคนรู้ว่า พระเจ้าอยู่เบื้องหลังครับพระเจ้าอยู่เบื้องหลังยังไงครับก็คือพระเจ้าไม่ให้สิงโตกินซากศพของเขาแล้วก็ไม่ได้กินลาด้วยจะเห็นว่าลาและสิงโตยืนอยู่ข้างๆศพนั้นจนกระทั่งผู้เผยพระนะเอาศพครับไปพาดบนลาอันนี้หมายถึงว่าผู้เผยพระชนะชล า, านะครับที่หลอกเขามาเนี่ยนะครับก็นำศพไปฝัง ไปฝังไว้อะไรด้วยครับแสดงว่าเขารู้สึกผิดและเขาต้องรับผิดชอบต่อการตายของผู้เผยพระนะหนุ่มที่เขาหลอกเขาวางศพไว้ในอุโมงค์และเป็นอุโมงค์ที่เตรียมไว้สําหรับเขาเองและข่มขรว่าอานิจจาน้องชายเอย๋ยเราจะเห็นได้ว่าผู้เผยพระชนะชารานั้นเขารู้สึกเสียใจพี่น้องครับโปรดอย่าลืมนะครับว่า เดิมทีนั้นผู้เผยพระวจนะหนุ่มได้รับคําสั่งเขร่งครัดจากพระเจ้าไม่กินหรือดื่มสิ่งใดขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งผมได้เล่าให้พี่น้องฟังเมื่อวานนี้แต่ในทสุดนั้นเขาตายเพราะว่าเขาฟังผู้เผยพระวจนะชราที่อ้างว่าได้รับพระดำรัสจากพระเจ้าแทนที่จะฟังพระเจ้าครับแทนที่ผู้เผยพรวจนะหนุ่มนั้นจะฟังพระเจ้าแต่เขากลับไปเชื่อฟังคนที่อ้างว่าได้ยินเสียงของพระเจ้าผู้เผยพวจนะ คนนี้นะครับหมายถึงผู้เผยพรชนะหนุ่มเนี่ยนะครับควรทําตามโพจนะของพระเจ้าไม่ใช่ทําตามคําบอกเล่าของคนอื่นนั่นแหละครับคือสิ่งที่เกิดความรู้สึกกับผู้เผยโพจนะชราว่าเขานั้นตั้งใจที่จะหลอกหลอกให้ผู้เผยโพระชนะหนุ่มคนนี้ได้ทําผิดต่อนามธทรมของพระเจ้าถามว่าทํำไมครับเป็นไปได้นักวิชาการสนิทฐานว่าผู้เผยโพระชนะชราคนนี้นะครับได้ หลงไปแล้วหลงไปจากทางของพระเจ้าครับและหลงติดอยู่กับระบบของเยลโลวอ์อัมฝักไฟอยู่กับฝายที่ไม่ถูกต้องครับและในที่สุดก็ตกเป็นเครื่องมือของผู้ที่ต้องการทำลายซึ่งอยู่เบื้องหลังพี่น้องครับในที่สุดขอบคุณพระเจ้าเขาได้แสดงบางสีบางอย่างออกถึงการกลับใจของเขา เขาได้เสียใจและในที่สุดเขาก็กลับไปที่จะนําร่างหรือนั่งนำศพของผู้เผยพระหนุ่มนั้นไปฝังฝังอยู่ในอุมโมงค์ของตัวเองครับแล้วก็ไว้อะไรสังเสียกับลูกๆของเขาบอกว่าเมื่อพ่อตายก็ขอให้ฝังพ่อไว้ในอุมโมงค์ฝังศพเดียวกันกับที่ฝังศพคนของพระเจ้าให้กระดูกอยู่เคียงข้างกระดูกของเขาให้กระดูกของพ่อนั้นอยู่เคียงข้างกระดูกของเขา นั่นคือสิ่งที่เขาได้บอกกับลูกของเขาพี่น้องครับถ้อยคําที่พระเจ้าได้ให้ผู้เผยเพระชนะหนุ่มที่ตายไปแล้วนั้นเนี่ยนะครับประกาศเกี่ยวกับแท่นบูชาในเบดเอลและสถานบูชาบนที่สูงทั้งหลายในเมืองต่างๆของสมารียานั้นจะเป็นจริงอย่างแน่นอนอันนั้นคือท่าทีการกระทําที่เขาประกาศครับว่าเขานั้นได้กับใจหันมาอยู่ฝ่ายพระเจ้าพี่น้องครับน่าเสียดายครับ ในบทนี้เราจะเห็นถึงคน3ประเภทครับคนประเภทแรกก็คือคนประเภทของผู้เผยเพระเจ้าหนุ่มไม่ได้ยึดเอาพระนํารัตของพระเจ้าและทําจนถึงที่สุดประเภทที่2ก็คือผู้เผยเพระจนะชาราครับพลาดตั้งแต่ต้นแต่กับใจใหม่ในที่สุดและประเภทที่3ก็คือเยโลโบอัมไม่กลับใจเลย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 ซึ่งนำราชวงไปสู่ความเสื่อมถอยและล่มสลายไปจากแผ่นดินโลกพี่น้องครับแท้จริงแล้วนั้นพระเจ้ากำหนดให้ปุโรหิตนั้นมาจากเผ่าเลวีเท่านั้นกำหนดให้มาจากเผ่าเลวีเท่านั้นครับสำหรับตำแหน่งปุโรหิตถ้าใครฝืนก็คือต้องตายอันนี้ปรากฏอยู่ในพระธรรมกันดานวิถีบทที่3ข้อที่10ชาวเลวีนั้นจะได้รับการเลี้ยงดูตลอดชีวิตจาก10รครับจาก10รที่มาจากเผ่าต่าง แต่เผ่าเลวีนั้นเขาก็รับ10บรถมาแล้วนะครับจากเผ่าต่างๆก็ต้องถวาย10บรถ ด, ด้วยเหมือนกันดังนั้นพวกเขาก็ไม่ต้องเสียเวลานะครับมาทํามาหากินมาทมาํานาไม่ต้องกังวลเรื่องผลประโยชน์ของเผ่าตัวเองเผ่าเลวีของตัวเองไม่ต้องกลัวว่าจะมีปัญหาการเงินในอนาคตบรรดาปุโรหิตของเยเบลอมนั้นไม่เหมือนกันครับเพราะว่าเยเบลอมนั้นจะแต่งตั้งปุโรหิตตามใจชอบ ใครอยากจะสมัครจากเผ่าไหนก็ไม่สนใจตั้งได้หมดเยเบอร์อมนั้นได้ให้เงินกับพวกปุโรหิตเหล่านี้พร้อมกับค่าธรรมเนียมแต่เงี้ก็ตามครับเขาไม่ได้เลี้ยงทั้งชีวิตไม่ได้เลี้ยงทั้งหมดและครอบครัวของเลวีคนเหล่านี้ซึ่งเป็นปุโรหิตเทียมนั้นต้องทำหน้าที่ในฐานะปุโรหิตและพลเรือน และไม่ช้าไม่นานก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับการเมืองในที่สุดเพราะว่าอาชีพปุโรหิตแบบเยโบอัมนั้นไม่มั่นคงครับเขาจึงต้องทุทจริตเพราะสินบนหลายอย่างการไม่เชื่อฟังของเยเบออมนั้นก็ทำให้ศาสนาของพระเจ้าหรือระบบการถวายบูชาพระเจ้าในอนาณาจักรเหนือนั้นล่มสลายนั่นเป็นเหตุที่ทำให้จิตวิญญาณของคนในภาคเหนือนั้นกลายเป็น คนที่เหมือนกับไม่ใช่เป็นประชากรของพระเจ้าครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเยลโบอัมและระบบปุโรหิตของพวกเขาเป็นระบบเทียมเท็จเป็นระบบที่ไม่ใช่ของจริงเพราะเหตุที่ว่าเกิดจากผลประโยชน์เกิดจากการแย่งชิงอำนาจเกิดจากการเมืองเพียงครับนั่นคืออันตรายขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราเองนั้นจะดำรงอยู่ในความถูกต้อง ดำรงอยู่ในการเจิมของพระเจ้าการแต่งตั้งการเลือกของพระเจ้าให้เราเป็นปู่โรหิตแท้ครับให้เราอย่าให้เป็นผู้ที่เรียกว่าผู้เผยพระเจ้าหนุ่มแต่ถ้าเรามีความผิดพลาดแล้วก็ขอให้เราจะเป็นเหมือนผู้เผยพระเจ้าชราที่กับใจเสียใหม่ในที่สุดอเมน